การปรับการเปลี่ยนจริตนิสัยพื้นเพออบปนิสัยมันเป็นเรื่องไม่ง่ายมันเป็นเรื่องยากไม่ว่าเราไม่ว่าท่านแหละถ้าความมุ่งมั่นเราอ่อนข้อลงทีไรเมื่อไรไอ้ความมุ่งมั่นทั้งหลายเราเานั่งกับร่วงหมดแล้วแหละมันร่วงหมดแล้วที่เคยตั้งใจเอาไว้หน่ยหากอยากได้ยูอยากได้บุญนั่นแะอ่า แต่มันมีสิ่งที่มาค่อยฉุดเราดึงออกมันดึงคอยฉุดคอยดึงเราออกมันมันหลายต่อหลายแทะลูกสมุนของพญามารน่ยลูกสมุนของพญามารมันหลายความขี้เกียจความมักง่ายความขี้เกียจความมักง่ายความอยากสะดวกสบายความเห็นแก่สะดวกสบายความ เอาตามใจฉันเนี่ยทำไงฉันจะสบายอันนี้เรานั่งบนสลาเนี่ยเรานั่งได้นา น, นเนี่ยเนี่ยเกือบชั่วโมงครึ่งนั่นเนี่ยเรานั่งคนเดียวด้เนี่ยได้พอสิบนาทีพะเนี่ฮะหาเดินไปโซกันแหละนั่งบนสลาเออเราจะพานั่งอย่างนี้ทั้งคืนดีไหมฮะฮะมัน <c oughs> ต้องมัด มันต้องมัดเลยเดยไม่งั้นไม่ไม่ได้ได้ล่ะอือันนี้อาศัยว่าเรานั่งหมู่กันบนสลาเนี่ยนั่งหมู่กันบนสลาตอนนั้นก็ะกซากสกรกซาอย่างนั้นแหละฮะจะเจนได้ล่ะคนที่ท่านพยายามขยับทียิบเข้าไปที่หัวใจเนี่ยขยับทียิบเข้าไปที่ขณะของจิตเนี่ยนั้ คนที่ท่านพาขยับก็ขยับท่านก็ขยับอยู่นั้นหล่ะขยับอยู่นั้นหละขยับอยู่นั้นหละ่ะแต่อันนี้ก็ขยับซกซากซกซากซกซากเนี่ยนั้นคือขยับกิริยาเพื่อจะขึ้นเพื่อจะหลุดจะตกจะหลุดจะตกอย่างนั้นะแต่อันนี้ซกซากซกซากล่ะพลิกซ้ายพลิกขวาเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาอย่างนี้เพื่อจะไดนล่ะมันบง่ายได้มันยากได้แต่มันก็ไม่ยากเกิน มันก็ไม่ยากเกินเพตที่เราต้องการในเมื่อเราต้องการผลแล้เหตุเหล่านี้เราต้องทําได้ถ้าเราทําเพตไม่ได้ผลที่เราหวังมันก็ไม่ได้การตั้งใจภาวนาเพื่อให้ได้ผลเกิดขึ้นในหัวใจแค่ความสงบแค่ความสงบใจเนี่ยแค่ความสงบใจให้เราเอาใจใส่กําหนดจดจ่อมาที่ใจของตัวเองเรื่อยๆ บ่อยๆครั้งเข้ามันก็จะเริ่มมีจริตนิสัยจิตใจมันก็จะเริ่มขยับมันก็จะค่อยๆเริ่มรู้สึกตื่ตัวมันจะค่อยๆเริ่มปรับเนื้อปรับตัวความสำรวมระมัดระวังมันก็จะเพิ่มขึ้นความตั้งอกตั้งใจมันก็เพิ่มขึ้นความความดจดจ่อมันก็เพิ่มขึ้นความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนท่านมันก็เพิ่มขึ้น ศรัทธาความเรื่มใสความอุตสาหพยายามความเสียสละทั้งหลายทั้งปวงกับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขอให้เรากาหนดจดจอ่อตั้งใจทาเอามันไม่มีอะไรเกินความสามารถแต่หากว่าเราจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยแค่ความสงบที่เราต้องการให้สงบอยู่กับอารมณ์อ่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธยังไงก็ไม่ปล่อยยังไงก็ไม่ปล่อยมันจะไปไหน ไม่ให้ทิ้งคําบริกรรมลุงตาท่านไม่ทิ้งคําบริกรรมคําบริกรรมก็คือพุทโธนี่ยแหละพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุดไม้ลุดมือไปกับพุทโธดังๆเข้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในใจนะเอาใจว่าไม่ใช่ปากบุ้งมิดเฉยนะเอาใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ระวังพุทโธแล้วก็ระวังทำไมจริงๆต้องระวังกลัวมันจะไป พุทโธระวังพุทโธระวังระวังความระวังนั่นแหละมันเป็นการประคองที่ฉันเรียกว่าวิจารวิจารณ์วิตกคือความตรึกวิจารณ์คือความตรองหรือประคองวิตกก็คือพุทโธเนี่ยแหละคือความนึกความคิดเนี่ยที่เรียกว่าวิตกวิตกวิตกพุทโธพุทโธพุทโธพุโธพุทโธ อย่าไปนึกอย่าไปกังวลหน้ากังวลหลังอย่าไปห่วงน้นห่วงนี่ทําไงนี่ยุ่งไปใจเจาะปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ยุ่งไปใจเจาะซ้ายยุ่งไปเจาะขวากังวลไปหมดอพุทโธแข่งกับมันเลยแหละพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ระวังพุทโธแล้วก็ประคองพุทโธแล้วก็กําหนดพุทโธแล้วก็จอมัติจิตพุทโธแล้วก็ดึงเอาไว้ พุทโธมันยาวยืดไปย้ายมันขาดช่วงพุทโธนี่เป็นหลักมัดมันไว้เลยสติคือความรู้ความพร้อมความสำรวมความประมัดความระวังสติเหมือนเชือกมัดอะไรมัดจิตมัดจิตจิตคือผู้รู้จิตคือผู้รู้ตให้มัดจิตเอาสติเป็นเครื่องมัดเอาสติเป็นตัวมัดอืม นี่เครื่องมือเรามีไหมเครื่องมือเราเช็คเราเช็คดูเราตรวจดูเราสำรวจดูในจิตของเราอะไรคือสติอะไรคือสติไอตัวที่มันรู้อยู่เฉพาะหน้าตัวนั้นแหละที่มันเด่นที่สุดโลดที่สุดตัวนั้นแหละมันเป็นขณะความรู้ของจิตที่มันเด่นที่สุดมันชัดที่สุดตัวนั้นแหละคือตัวสติมันเด่นที่ไหนมันชัดที่ไหนก็มันเด่นที่จิตมันชัดที่จิตนั่นแหละนั่นอ่ะตัวนั้นคือสติ ถ้าเป็นไฟมันก็สว่างมันก็โพรง่งความคล่องตัวความเบาตัวความอ่อนตัวไปกับกิริยาอาการของของคำว่าพุโทโธพุธโทโธมก็มีวิตกคือความตรึกวิจารคือความตรองวิตกคือตั้งเอาไว้วิจารณ์คือประคองแม้มันขาดไม่้มันขาดช่วงวิตก ตั้งอาไว้วิจารคือตรองท่านเรียกว่าอารมณ์ของปฐมฌานอารมณ์ของความสงบขั้นแรกบริกรรมภาวนานบริกรรมภาวนานวิตตุคือความตึกวิจารคือความตรองปิติสุขเอกคตาเอกคตาก็คือเราพยายามดึงเราพยายามจับไม่ปล่อยแล้วละ เ, เอกคตาก็คือจับอารมณ์นั่นแหละจับอารมณ์คือพุโทโธนั่นแหละ เราจะว่าไปแล้วตั้ง4ี่หอย่างนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละคือจิตจิตผู้นี้เป็นผู้พร้อมวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอก k ตาอย่าลืมว่าเอกคตาต้องเป็นหลักเอกคตาก็คือความหนึ่งเดียวกับอารมณ์พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเราทรําไปทําไปทําไปทําไปทําไปทําไปมันจะเริ่มอิ่มเพราะคําว่าพุโทโธมันเหมือนกับเราบริโภคอาหารเข้าไป คำพุทโทเหมือนอาหารนะมันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมะที่เป็นอาหารมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสียงมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นรสเป็นกลิ่นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นสัมผัสแต่หากมันเป็นคําดําริมันไม่อาศัยสิ่งของอย่างอื่นที่ท่นเรียกว่าไม่อาศัยอามิ t h มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นไม่อาศัยอามิ t h แต่อาศัย ธรรมะพุทโธนี่เป็นธรรมะพุทโธพุทโธพุทโธพทอเราทำไปทำไปทำไปมันเริ่มอิ่มเพราะมันเริ่มอิ่มเนี่ยถึงเราจะไม่ว่าพุทโธมันก็อยู่นะเราไม่ว่าพุทโธมันก็อยู่เราไม่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมันก็อยู่จิตก็สงบสงบแล้วเราก็ปล่อยมันสงบเราก็ปล่อยมันนิ่งมันก็ร่อมันแนวมันก็ดิ่งมีความสงบ มีความสุขเราทําได้แค่นี้เราก็เราก็พยายามจับให้มันอยู่พยายามให้มันอยู่อย่างเงี้ยมันจะอยู่ไปนานเท่าไหร่เราก็กํำนอดอยู่อย่างนี้แหละทับมันอยู่อย่างนี้แหละมัดมันอยู่อย่างนี้แหละนะตะคบมันอยู่อย่างนี้แหละขังมันอยู่อย่างนี้แหละแล้วแต่เราจะใช้คําอะไรที่จะให้มันอยู่อืคือมัดอะไรมัดอะไรให้มันอยู่ มัดใจใจกับสติมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันใจกับสติมันก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือกิริยาของใจทั้งหมดพุทโธก็คือกิริยาของใจนะประคองพุทโธก็คือกิริยาของใจแหละมันประคองเวลามันอิ่มก็คือใจและมันอิ่ม เวลามันมีความสุขใจอะละมันมีความสุขใจมันสงบมันนิ่งมันเบามันมีความสุขมันมีความอิ่มเอิบบางทีมันก็สะท้อนมาที่กายพลอยกายเบาพลอยจิตเบาไปด้วยดูเหมือนก็ร่างกายมันพร้อมโอ้ร่างกายก็สุขแล้วเกินเบาแล้วเกินสุขแล้วเกินเบาแล้วเกินมันอ่อนมันน้อม มันอ응่อนมันนิ่มนิ่มอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุโทโธนเราจะต้องลงทุนให้มากลงทุนให้หนักไย่ใช่ทำศัจจวัตรธรรมไม่อยู่ทําศักจจวัตธรรมไม่อยู่ต้องลงทุนให้หนักลงทุนให้หนักต้องเป็นเชือกใหญ่เชือกเล็กๆนี่มัดไม่อยู่มัดใจไม่อยู่อืมที่เราต้องการให้อยู่คือต้องการให้ใจอยู่ใจอยู่ มันมีกิริยาอย่างไรมันมีกิริยารู้ตัวพร้อมอยู่ว่าเราอยู่อยู่นี่แหละไม่ออกไปไหนอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละมีความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละไม่ออกไม่ออกไปตามรูปตามเสียงตามกลิน่นตามสัญญาที่มันจะหลอกมาไม่ออกไปพอมันไม่ออกไปมันก็เริ่มอยู่มันเริ่มอิ่มอย่าลืม่าพุธธโทโธนี่มันเป็นอาหารของใจนะพุโทโธมันเป็นอาหารของใจ รูปเสียงเปลี่ยนรถสัมผัสอะไรอย่างอื่นนะไม่ใช่อาหารของใจเราลองปล่อยจใจเราของเราให้มันนึกคิดไปทั้งวันไม่มีจุดจบไม่มีที่จบไม่มีที่อิ่มไม่มีที่พอมีแต่จะเหอ่อเหอิมคึกขนองไปเรื่อยไม่มีที่จบไม่มีจุดจบมันเป็นอารมณ์ของกิเลสเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ต่างอะไรกับเชื้อของไฟนะเชื้อของไฟ ไม่ต่างอะไรกับน้ำมันสมมติเราต้องการให้สมมติเราต้องการให้ไฟดับเราเอาเชื้อไปใส่ไฟที่ไหนไม่จะดับมันมจีจะติดจดไม้นั่นแนหะเราเอาน้ำมันไปราดที่ไหนไฟที่ไหนไมันจะดับมันไม่มีดับมันไม่มีดับมันมีแต่จะไหม้ลุกลามไปจนไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณกิเลสในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกัน ไอ้ที่มันไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสนั่นแหละมันไปตามอํานาจของความอยากของกิเลสมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่ใจนั่นแหละมันก็สวมรอยมาที่ใจแหละในขณะที่เราว่าพุทโธมันก็มันก็แอบมาข้างๆนั่นแหละพอเราเผลอปั๊บมันก็สวมรอยปุ๊บช่วยไปแล้วพอเราเผลอปั๊บมันก็สวมรอยปุ๊บชุอ่ามันลากไปแล้วมันฉุดไปแล้วอืมกิเลสมันเร็วความอยาก ถ้าเราพยายามสังเกตเราจะเจอเจ้าตัวอยากเจ้าความอยากตัวเจ้าความอยากนี่แหละคือเจ้าของของมันเจ้าของกายนี้เจ้าของกายนี้เป็นผู้มีอำนาจครอบงำกายนี้เป็นผู้มีอำนาจครอบงำจิตนี้เป <|ja|> ็นผู้มีอำนาจครอบงำบัตสงสารอันนี้ทาให้เราเกิดแก่เจ็บตายเกิดอีกแก่เจ็บตายเกิดอีกแก่เจ็บตายนี่แหละเจ้าตัวนี้แหละ เขาเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นผู้ครองโลกนะบางครั้งเราก็อยู่กามโลกเช่นอย่างโลกมนุษย์บางครั้งเราก็มีบุญหน่อยเกิดไปเกิดในรู ป, ปรโลกบางครั้งก็ไปเกิดในอรู ป, ปรโลกกามโลกรู ป, ปรโลกอรู ป, ปรโลกอยู่ในเงื้อมมือของเขาทั้งหมดนั่นแหละ <c oughs> เขามีความชำนิชำนาญมีความละเอียดอ่อนมีมนพิเศษเหลือเกินเป่าพรวดเดียวนะพวกเราเนี่ยหลับไหลไปตามเ้าหมด นี่จาอำนาจของความอยากความอยากก็คือตัณหาในหัวใจของเราความอยากเป็นภาษาไทยภาษาบาลีสัญญตัณหาตัณหาตัณหามันอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจใจคึกใจขนองใจดิ้นรนกิเลสพลังของมันที่มีมีอยู่ในใจอ่ามันกระสิบกระซาบดึงจิตเราออกไปโน่นดึงจิตเราออกไปนี้กระสิบกระซาบดูให้ดีมันกแอบมากระสิบกระซาบ ดูให้ดีสังเกตให้ดีนักปฏิบัติสังเกตจะเห็นไม่ใช่นักปฏิบัติไม่รู้เรื่องกับมันหรอกอมันมาสวมรอยใส่แว่นตาดําให้เราไปนู้นไปนี้ตามใจมันทุกระยะทุกเวลาเนี่ยเป็นทาตรับใช้มันอย่างซื่อสัตย์ที่สุดเป็นเบาวเป็นทาตรับใช้มันอย่างซื่อสัตย์ที่สุดมันเป็นเจ้าเป็นจอมขี่หัวหลังเม็ด ต่างอะไรกับนายควานน่ยฉี่ช้างอยู่บนหัวสับซ้ายสับขวาเนะี่ยดึงให้ไปหน้าดึงให้ถอยหลังดึงให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่นั้นนะ่ะดึงให้ลุกให้นั่งให้อะไรได้ตามใจหมดนี่คือเจ้าคืยจอมมันเป็นเจ้าคอยครอบงําจิตเราอยู่มันเป็นจอมคอยครอบงําดึงจิตเราอยู่คืออะไรคือตันหาในหัวใจของเรา เราเรียอีกสับหนึ่งก็คือกิเลสในหัวใจของเราเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้ใจของเราในเศร้าหมองใจที่เศร้าหมองนั้นถ้าเราจะเทียบไม่ต่างอะไรอะไรกับน้ําที่มันขุ่นๆนั่นแหละน้ํามันขุ่นมันมีอะไรอยู่ในนั้นเรามองไม่เห็นดอกเราตักน้ําขุ่นๆเอาแก้วใสๆตักน้ําขุ่นๆมาดูเราเห็นแต่ความขุ่นของมัน อ, อย่างลอยฟุง้งอยู่นั่นแหละไม่เห็นมีอะไรดอก ไม่เห็นมีอะไรเพราะไอค้ความความขุ่นนั่นแหละมันทําให้เรามองไม่เห็นกิเลสมันกวนจิตของเราจนฟุง้งเราต้องการให้จิตของเราหยุดต้องการให้จิตเขาให้จิตของเรานิ่งเราจรึงบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราจะเทียบพุทโธเราก็ไม่ต่างอะไรกับสารสม้มพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะกัดตะกอนให้ร่วงลงอ่า มันก็จะกัดตะกอนให้ร่วงลงร่วงลงร่วงลงร่องลงร่องลงร่วงลงร่วงลงร่องลงน้ำน่ะใสใสเจียวอยู่ในน่ะอยู่ในแก้วนั่นน้ำใสเจียวถ้าเราจะเทียบเราบริกรรมพุทโธพุทโธจิตเราเริ่มสงบเพราะจิตเริ่มสงบเนี่ยพอจิตเริ่มสงบจากอารมณ์ของกิเลสที่มันมาก่อกวนจิตก็เหมือนกับตะกอนที่มันนอนก้นนั่นแหละ ร่องลงร่องลงร่องลงร่องล ง, ล ง, ลงโอกาสที่มันจะร่องลงเฉยๆไม่มีเราต้องทําเราต้องมีอุบายวิธีทำํำท่านจึงให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ พ, ทโท พ, ทโทพโราะจิตเราเริ่มสงบจิตของเราเนี่แหละผ่องใสเมื่อก่อนนั้นจิตของเราเนี่ยคุณมัวคุณมัวมองไม่เห็นอะไรอยู่ข้างในความมืดมืดทึบทึบ ความอ่ดอาดเหนื่อยหน่ายความหนักหน่วงท่วงใจความไม่คล่องแคล่วว่องไวความไม่คล่องตัวรวมลงอยู่ในนั้นหมดแต่พอจิตมันเริ่มสงบความว่องไวความฉับไวความแพรวพราวการกระดกกระดิกพลิกแพลงอะไรต่ออะไรต่างๆในในจิตของเรามันแพรวพราวไปหมด นี่แหละคือรัศมีของจิตหรือเราจะเรียกอย่างหนึ่งก็คือปัญญาปัญญามันเกิดขึ้นปัญญาเป็นแสงสว่างแสงสว่างอย่างอื่นนะมีอะไรบังมันก็ไปไม่ได้ก็เหมือนอย่างแสงสว่างที่มันรอดร อ, อดมาเนี่ยเช่อนอย่างเงาของเสาเนี่ยนะเพราะมันมีเสาบางังไอตรงที่เป็นนั่นเป็นเงาเนี่ะแสงสว่างมันไปไม่ได้ แสงสว่างคือปัญญาเนี่ยมันทะลุโปร่งไปหมดนะที่ใดที่มืดที่ใดที่ทึบเนี่ยมืดมืดทึบทึบเนี่ยที่ตรงนั้นแหละอสารพิษมันชอบอยู่ที่ใดที่มืดที่ใดที่ทึบอสารพิษมันชอบอยู่จิตของใครมืดมืดทึบทึบกิเลสชอบอยู่จิตของใครมืดมืดทึบทึบเป็นบ่อยของกิเลสได้ง่ายจิตของใครมืดมืดทึบทึบเนี่ย ไม่มีความสว่างสวยัยไม่มีความแปรพราวไม่มีความสงบไม่มีความสุขไม่มีความเยอือกเย็นอะไรเลยมืดมืดทึบทึทื่อทือแข็งกระด้างอยู่นั้นแหละงดงดหงิดหงิดจระพัดหาความสุขตรงไหนก็ไม่เจอหาตรงนั้นจะสุขเดินไปหาตรงนั้นจะสุขเดินไปนตรงนี้จะสุขก็เดินมาตรงนั้นจะสุขก็ไปนั่งตรงนี้จะสุขก็ไปนั่งเหมือนหมาขี่เรือนะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนหมาขี่เรือนหมาขี่เรือน มันนอนตรงหน้าบ้านตรงนี้โอ้ยตรงนี้ไม่ดีเว้ยเกาแยกยกแยกแยยไปตรงนู้นตรงนู้นจะดีอะตรงนี้ก็ไม่ดีเกาแยกแยกแยกอยู่อย่างงั้นแหละมันไม่ใช่ความคันเกิดขึ้นจากหน้าบ้านตรงนั้นหน้าบ้านตรงนี้มันเกิดขึ้นจากตัวมันเพราะว่าตัวมันก็คือกิเลสมันกวนใจนั่นแหละตัวกิเลสแท้ๆแหละมันกวนใจดวงนั้นด้วยเหตุที่เรา ด้วยอำนาจความรุ่มหลงเราไม่เคยย้อนจิตของเราไปดูจิตของเราเองเลยปล่อยไม่มีอะไรไป อ, อุปธรรมประทักบำรุงส่งเสริมไปขัดไปกล่าไปอะไรแต่ลราไม่เคยสนใจให้กับมันเลยปล่อยมันทิ้งรกรักรก ร, ก ร, ก ร, กรกัร้างร้างอยู่อย่างนั้นแหละไม่เคยสนใจไปฉะไปล้างไปขัดไปกล่า แก้วสารพัดดึ้ของตัวเองเลยมืดมัวมองมืดทึบอยู่นั่นแหละไม่เคยเพิ่มพูนสติให้กับตัวเองไม่เคยเพิ่มพูนปัญญาให้กับตัวเองไม่เคยเพิ่มพูนสัมปชัญญะให้กับตัวเองไม่เคยสนใจตัวเองเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่อยู่ของกิเลสซึ่งเปรียบเสมือนอสสารพิษมันชอบอยู่ในที่มืดมืดทึบๆนี่แสงสว่างไม่มีมันชอบอยู่ ที่ตรงไหนก็ตามมันมีอะไรบังมันมืดๆทึบๆเราไปเปิดมักจะเจอสารพิษนะพอเราเปิดปั๊บมันสว่างปั๊บมันไม่อยู่ละมันไปแล้วพอเจอแสงสว่างเปิดปั๊บมันสว่างอ่านไปแล้วไม่เชื่อลองดูที่พวกงูพวกอะไรที่มันชอบแอบอยู่ตามมุมตามซอกตามมุมมันชอบอยู่ในที่มืดๆทึบๆมันมีที่บังๆอ่าพอเราไปเปิดให้มันโล่งปั๊บมามันไปแล้วมันไม่อยู่แล้ว มันไปแล้วมันไม่อยู่แล้วจิตของเรามืดมดทึบๆกิเลส ช, ชอบอยู่พยายามเจริญสติให้มากเจริญสัมปชัญญะให้มากเจริญสติมากเจริญสัมปชัญญะมากๆเข้าจะกลายเป็นปัญญาเจริญสติมากๆเข้ากลายเป็นสมาธิกลายเป็นปัญญาปัญญาในภายในนั้นมันเป็นปัญญาเหมือนแสงสวา่างส่องเข้าไปในภายในของใจของเราเนี่ย กิเลสมันหลบเป็นแถวกิเลสที่มีอยู่ในใจมันหลบทําไมมันถึงหลบ ก, กิเลสนั้นมันแพ้ธรรมโลกนี้ก็ตามโลกไหนๆก็ตามพระเจ้าองค์ไหนมาอุบัติก็ตามกิเลสธรรมะย่อมชนะกิเลสตลอดกาลแต่ตราบใดที่กิเลสยังมีกําลังมากธรรมะมีกําลังน้อยธรรมะก็แพ้กิเลสตราบใดธรรมะมีกําลังมาก กิเลสก็แพ้ธรรมะแต่แพ้ตลอดการถึงจะมีการแข่งขันกันเท่าไหร่เรื่องของพยมารกิเลสสมานเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะชน ะ, ะพระกิเลสที่เป็นพยมานหาโอกาสที่จะชนะพระไม่มีละถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนกับพระพุทธเจา้าท่านบำเพ็ญบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อจสรู้ธรรมนั่นแหละน กับผู้ที่ตั้งใจบําเพ็ญบารมีเพื่อความยิ่งใหญ่ด้วยอํานาจที่ผิดหลักของธรรมคือพยามานเนี่ยพยามานตามล่างตามหลานกุฏิเจ้าทุกระยะทุกเวลาในที่สุดก็ไม่สามารถจะเอากุฏิเจ้าให้อยู่ในเงื้อมมือนะเมื่อไม่สามารถจะเอาพุฏิเจ้าให้อยู่มือก็เท่ากับเป็นการพิสูจน์ทดสอบได้ว่าอา้าวิชาของเรามันตันแค่นี้เราตามท่านไม่ทันเราตามท่านไม่ทันเราตันอยู่แค่นี้ ไหนสุปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนท่านดีกว่าแน่เห็นไหมถ้าวัสวดีมานะ่ะที่เคยไปจนพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนหลังมาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะเส้นทางของตัวเองวิชาของตัวเองไปตันอยู่แค่นั้นแหละเห็นไหมพระเจ้าวัสวดีมานมาไปจนพระพุทธเจ้าสมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพื่อที่จะตรสรู้ในคืนวันนั้นน่ะก็เอาพระพุทธเจ้าไม่อยู่อีกเอาพระพุทธเจ้ามาอยู่ ยังไงยังไงสู้บารมีของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฤทธเดชอาวุธมีมากมายเท่าไหรก็ตามไม่สามารถจะมาทําลายพระพุทธเจ้าได้เพราะบารมีของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่าการเสียสละยิ่งใหญ่กว่าการบําเพ็ญมายิ่งใหญ่กว่าแต่ว่าบารมีของพญามา น, นั้นเป็นบารมีขี้โกงเป็นบารมีขี้เห็นแก่ตัวเป็นบารมีที่โหดร้าย เป็นบารมีเป็นบารมีที่นักเลงก่อกวนโหดร้ายอันตรพาลเห็นแก่ตัวมันจึงไปไปไม่ถึงไหนมันจึงไปไม่ทะลุแต่บารมีของพระพุทธเจ้าเสียสละาทานให้หมดให้วัตถุเป็นทานทานบ้านทานเมือง ทานลูกทานเมียทานอวัยวะเป็นทานทานชีวิตเป็นทานเน่ยพยามาณทำได้ไหมพยามาณทำไม่ได้อะไรจะยิ่งใหญ่เท่านี่คือทานของท่านอ่ะยิ่งใหญ่กว่าแค่ทานแค่นั้นเองพยามาณก็หมดหมดประตูสู้แล้วล่ะทานบารมีศีลบารมีอา้าวศีลบารมีพระชาติ ที่พระพุทธเจ้าบำเพญ็ญศีลและบารมีเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะท่านบำเพ็ญเป็นอะไรนะเป็นพญา น, นาคอะนะอะนั่งอยู่งั้นแล้วแว้าเขาจะจับไปโน้น จ, จับไปนี้ทั้งๆ ท, ที่มีฤทธิ์มีเดชมากนะแค่แค่เปิดตาถลึงตาดูเท่านั้นแหละคนก็น่าจะไม่ฮึบ ไม่ฮึบเ้วด้วยฤดดยฤิด้วยพิษของของของพญานาคแต่ก็อดอดแทะอดทนอดทนลืมลืมช uh, ื donc, ่อภ uh, uh ูร huh. ิทัทภูริทัทตะนาคนาคราชภูริษัทตะนาคราชนี่นั่นนะแต่ว่าบําเพ็ญศีลิ่ง มีริ์มีเ ด, ดขนาดไหนไอในไอคนเล่นกลมันเอาไปเป็นเครื่องมือเล่นกลยังไงนันงไงจะเคาะหัวจะโน่นจะนี่จะอะไรก็โอ้ยใชคือเขาจับได้เขาจับได้ก็เอาไปเล่นกลว่าทนแค่ลืมตาดูแค่นี้ก็ไม่เป็นจุนวิจุนไปแล้วเนี่ยโอ้ยทนอย่างนั้นอาศัยศีลบารมีเมงงื่อไงศีลขาดเน่ยเราดูที่เด็ชขาดถึงขนาดนั้นนะเนี่ยผูริทัศนผู้ริทัศตะนากคาราช นี่แเนี่ยก็ยิ่งอ่ะพญามาจะไปสู้อะไรได้พญามาเน่ยก็อกอนแล้วกำลังน้อยกว่าเขาก็ยังเอาอยู่น่ะชาติของไก่ชนเนี่ยอ้าวกาลังน้อยกว่าเอ า, นนเอาเหมือนกันอ่ะเอาไปเอาตาย น, นี่คือพญานาคแต่พระพุทธเจ้าท่านสู้ด้วยบารมีเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยท่านจะอธิษฐานเห็นไหมวันที่จะได้ตรัสรู้นะ รับข้าวจากนางสุชาดาไปเสวยพระกรยาหารไปเสวยข้าวบรรทุกญาติที่ฝังแม่น้ำในรัญชราเสร็จแล้วก็ลอยถาดอธิษฐานถ้าหากบุญบา ร, รมีของเขาพระพิฆเน จ, จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ําคิดดูสิถาดธรรมดาเนี่ยลอยทวนกระแสน้ําอ่ะมันไปได้เพราะพลังอะไรเราฟังหนนะูไปบอกพลังอะไร ก็พลังบา ร, รมีอ่ะนะมันไปได้ยังไงอ่ะฟังเราดูที่มันไปได้ยังไ ง, งมันไปได้ยัง ไ, ไ, ไงไถ้าเป็นพวกเราเราก็โอ้ยเราก็ดีใจเราก็ปลื้มใจแล้วอ่ะโอ้สําเร็จแน่แน่สําเร็จแน่แน่สําเร็จแน่แน่ถาต้องคําน่ะลอยไปลอยไปเราไปเจอน้นําวนก็หลงแล้วก็จมลงไปจมปันก็ไปสวมข้างล่างสามถาดสามใบนั่นนะ่นะถาดพระ พุทธเจ้าองค์ก่อนในกลับนี้สามองค์เนี่ยไปสวมแครกนี่ท่านเล่าถึงพญานาคชื่อหนักอะไรนะหนักที่นอนเฝ้าตรงนั้นนะ่ะกาลนาค ก, กาลนาคอาดีตนาคอาดีตอดีตกาลนาคนี่ก็คือสมัยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นเลนน้อยเนลนน้อยปฏิบัติพระห้าร้อย ไม่ได้หลับได้นอ น, น อ, งองนั้นเรียกมากองค์นี้นเรียกบักองนั้นโอ้ยลำบากเหลือเกินปรารถนาอยากนอนไม่ได้หลับได้นอนเลยเลยนอนตลอดกลับตลอดกันเป็นนาคเป็นพญา น, นาคเฮ้ยเมือ่อวานพระเจ้ามา อ, อบักหนึ่งองวันนี้มาอีกแล้วนะดูเ้านอนเป็นกลับกับนะฮะเขานอนเป็นกลับกับเลยแหละพญานาคอืมโอ้เมื่อวานพระเจ้ามาตรันหนึ่งองวันนี้มาอีกหนึ่งองแล้วเนี่ย มีถาดตองคำ้อยมาอีกแล้วจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เสวยอิริยาบถอยู่แถวฝั่งแม่น้าเนรัญชารากลับมาที่ต้นโพตอนค่ำก่อนจะถึงต้นโพก็รับยาคาแปดกรรมจากนายสดชย ะ, ะจะรับยาคาเปดกรรมยาคาแปดกรรมนี้ก็ไปปูต่างบรรลังเพื่อที่จะนั่งแต่ก็แต่ก็ในตำนานก็บอกว่า พระองค์อธิษฐานวัชระบันหลังเสียงบา ร, รมีอีกบุญญาบา ร, รมีของข้าพเจ้าถึงที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธะขอวัชระอาจวัชระบันลังจงปรากฏแก่ข้าพเจ้าในโอกาสนี้บัด น, นี้วัชระบันหลังก็ปรากฏขึ้นนี่ตั้งแต่หัวค่านะเสารพยามานเริ่มมาไปจิรแล้ว ทวัสวดีมานทวสวดีมานส ว, ว, วรรค์ชั้นที่หกนั่นน่ะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นตอนพญามานมาเนะี่ยเทวดามกลัวเทวดา น, นี้ไปหมดอยู่ขอบเขตเขาจักรวาล น, นั่นน่ะเพราะอะไรเพราะทวัสวดีมานะน่นนะู่นน่ะสวรรค์ชั้นหกนะ่ะสูงกว่าบรรดาเ ท, ทวดาทั้งหลายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเทวดาห้อมล้อมไปหมดนะพอพญามานมาเทวดา น, นี้หมดกลัวรัวพญามานพญามานมา ยามานะพุทธเจ้าก็คุณนั่งบนบันลังแล้วเนะี่ยพอนั่งอธิษฐานบันลังแล้วเนะี่ยแล้วก็ก่อนที่จะนั่งอธิษฐานอีกอ่าอธิษฐานอีกเนื้อเลือดของเราเหือดแห้งหายไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็ตามจักไม่ยอมลุกเด็ดขาดฮะถ้าไม่ได้ตดรัสรู้เป็นพระสมมาสัม บ, บุท ธ, ธะดูสิเด็ดไหมเนี่ยแล้วก็าอปทําไปพยามานก็ไปไปจนเนะ่ะ พญามารเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะไม่อยู่ในเงื้อมมือนั้นแหละพญามารจะเล็ดลอดจากเงื้อมมือไปแล้วแหละเลยไปผจญก็บารมีของพระองค์เนี่ยมาคลุมมาปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้พญามารจะยิ่งจรวดยิ่งดาวเทียมยิงอะไรไปใส่ยังไงมันกสู้บารมีพุทธเจ้าอะไรครร่วงลงหมดมากลายเป็นอะไรทต่อะไรเนี่ยเอาหอกเอาอะไรแต่อะไรกลายเป็นดอกบัวกลายเป็นดอกไม้มาบูชาพระเจ้าบมด นาพยามานพ่แพ้ในที่สุดก็เลยตูตูตูว่าวัชร บ, บัลลังเป็นของพยามานนะนะท่านจงลุกเดี๋ยวนี้วัชร บ, บันลังนี่วัชร บ, บันลังเป็นของเรานี่เรามีมูสมักพระพวกเป็นพยานมากมายเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าวัาวชระ บ, บันลังเป็นของเราเกิดขึ้นโดยบุญบา ร, รมีของเราท่านมีใครเป็นพยาน ท่านมีใครเป็นพยานเราเนี่พยานเอาเต็มไปหมดเนี่พยพญามารนะไปตูเปต่เอาไปตู่อวัชราบรรลันพญามารไปตู่เอาเพราะสักพักหนึ่งอะ่ะแม่โทรณีก็ขึ้นมาอแม่ทรณีสุนทรีก็โผล่ขึ้นมาอหมอมชั้นนี่แหละพระองคอ์เป็นแม่โทรณีโผล่ขึ้นมาที่พระองค์สร้างบุญญาบรมีมา แต่เรพบจัลรชาติแล้วก็หยาดน้ําลงสู่พื้นปัตภีพื้นดินนั่นแหละแค่ติดอยู่ในมวยผมนิดๆหน่นอยๆนนเนี่ยแหละขาเลยเอามวยผมมาบีบบีบเเป็นน้ําลากท่วมพญามารหนีเจเลยเปิดเบิงของทับของทัพแตกหนีก็เกิดเปิดเปิงไปหมดนะจบไปถือว่าตั้งแต่ปฐมยามพระองค์ปราพยามารได้สําเร็จได้สําเร็จเพราะอะไรไม่มีใครช่วยก็บา ร, รมีของพระองค์ช่วย เรามีของพระองค์ช่วยเห็นไหมในปฐมยามพระองค์จะได้บรรลุเป็นบนรรลุปุกเพในวาสานุสติญาณปุกเพนิวาสานุสติญาณนี่ก็คือญาณอย่างหนึ่งละเอียดอ่อนมันเกิดขึ้นตามใจตามใจดํารินึกคิดได้ตลอดระลึกถึงภพชาติเบื้องหลังของตัวเองระลึกไปไม่มีที่จบไม่มีจุดจบ เมือก็เมื่อก็เราเปิดหนังสือหน้านี้หน้านี้พลิกไปพลิกไปพลิกไปไปไปเห็นไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเป็นกลับกับเป็นกลับกับเป็นวิวัติกับไม่มีจุดจบโอ้เห็นภพชาติของตัวเองเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นคนเกิดเป็นคนสูงคนต่ำเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นนกเป็นหนูเป็นเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่มีที่จบไม่มีจุดจบโอ้ยเบื่อหน่ายในภพชาติของตัวเอง นี่ในปฐมยามพระองค์ได้ยานอย่างหนึ่งยานนี้คือคุณสมบัติภายในจิตมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราทำจนพอชำระขัดสีจนพอกว่ายาณ น, นี้จะเกิดขึ้นมาได้แล้วก็โดยบุญบา ร, รมีทำให้พระองค์ได้ปุกเพนิวาสานุสติยานคำว่าพอในที่นี้หมายความว่าไง ถ้าเราจะเทียบก็บเหมือนกับว่าเราต้องการต้องการไฟจากไม้เราเอาไม้มาสีไฟเนี่ยถ้าเราสีไม่พอเนี่ยไฟจะไม่เกิดแต่ถ้าเราสีพอเนี่ยไฟก็จะเกิดขึ้นมาได้บารมีพร้อมก็คือเหมือนกับเราสีไฟแล้วไฟติดเอาไฟมาใช้ได้บารมียังไม่พอไฟไม่ติดเมื่อเราทูทูทูทูทูๆแล้วก็หยุดทูทูทูทแล้วก็หยุด ถ้าราจะเที our plan, our ่ยวกันเหมือนกับที่พวกเราภาวนากันนี่แหละเราทำทําล้วแล้วก็หยุดทำทำแลแล้วก็หยุดเราต้องการยานเราต้องการปัญญาคําว่ายานก็คือการได้รู้ธรรมนั่นแหละรู้ธรรมเข้าถึงธรรมอย่างใดอย่างหนึ Poke ่งเกิดยานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราขัดสีจนเกิดสิ่งที่ที่นอกเหนือไปจากไอ้สิ่งที่เราสีเนี่ยอ่า สีไม้เนี่ยนะสีจนเกิดสิ่งที่ไม่เหมือนสิ่งที่เราสีสิ่งนั้นคือไฟมันอาศัยการเสียดสีนี่แหละแต่เวลามันขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ไม้ไผ่มันกลายเป็นไฟคือความร้อนมันเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละการที่พยายามสร้างบุญบา ร, รมีขัดสีภาวนาของพระองค์นั่นแหละคือการใช้เรี่ยวแรงด้วยบุญญาบา ร, รมี จนได้ผลปรากฏขึ้นยานก็เหมือนกับไฟปรากฏขึ้นได้ได้ไฟใช้ได้ยานขั้นนี้ระดับนี้นี่ปฐมยามยามถ้ำกลางตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงตีสองเขาเรียกว่ามัชชิม ย, ม, ยยมยามนี่นี่ได้จตุปาฏายานจะตุวายานคือคืออ่าตอนปฐมยามนะเห็นพบชาติของตัวเองพอมัชชิมยามนั้นเห็นพบชาติของคนของสัตว์อื่นนอกจากตัวเอง เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายตายที่นี่ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นี่ตายที่นี่ไปเกิดที่นั่นกูอยู่อย่างงั้นแหละไม่มีจุดจบถ้าเบอพระองค์นั่งมองดูพวกเราอย่างนี้รู้ได้หมดโอ้คนนั้นเมื่อก่อนเกิดเคยเกิดเป็นนั่นคนนั้นตายคนนี้จะตายอย่างนี้แล้วจะไปเกิดเป็นนั่นอ่ะแล้วก็ตายเกิดเป็นนั้นแหะตายอย่างนั้นเราจะไปเกิดเป็นนั่นโอ้ตายอย่างนั้นเราจะไปเกิดเป็นนั่นเมื่อก่อนเคยเกิดเป็นนั่นตายจากนู้นแล้วมาเกิดเป็นนี้ ก่อนที alive, pues know you know ่จะเกิดเกิดเป็นนู่นก็มาจากนู่นมาเกิดเป็นนู้นรู้หมดไม่มีประมาณนี่เราดูทีนี่คือยานที่เรียกว่าท่านเรียกว่าจตุปะปาตยานจตุปะจตุปะจุติรู้จุติความเคลื่อนความเกิดของคนของสัตว์การเกิดขึ้นท่านเรียกว่าจุติจุติคือคือคือการเปลี่ยนเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาตินี่คือการจุติ จตุ ป, ปาฏายานยานรู้ความจติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโอ้นัปรากฏแจ่มแจ้งชัดเจนถ้าจะเที่ยวก็เหมือนอย่างพระองค์น่ยอยู่ท่ามกลางทางสี่แพร่งอยู่ท่ามกลางหันไปทางไหนเห็นหมดหันไปเหนือกับทะลปปุโปรงหันไปใต้กับทะลปปุโปรงหันตกหันออกทะลปปุโปรงอยู่ท่ามกลางทางสี่แพร่ง เ, เห็นชัดเจนทะลุปปโรงไปหมด หน่เราดูดิเดชของปัญญาน่าทีนี้รู้แล้วแหละเห็นแล้วแล้วเห็นแล้วละอบชาติของตัวเองก็เห็นแล้วน่าเบื่อหน้าหนายแล้วเกิดการเกิดการตายเห็นอบชาติของสัตว์หน้าเบื่อหน้าหนายแล้วเกิดโอ้เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดปัญหาขึ้นมาอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้ตายกันแน่ตอนนี้สาวหาเหตุปัจจัยเกิด ปัจจัยที่ทําให้เกิดให้ตายสาวไปสาวมาสาวมาสาวไปอะไรเป็นเหตุให้เกิดกันแน่คือเกิดนี่มันเป็นผลมาแล้วน่ะสาวไปสาวไปอะไรเป็นเหตุให้เกิดถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับอะไรล่ะถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับเอ้าเทียนมันสว่างอ่าสมมุติอย่างเทียนมันสว่างนั้นเนี่เรายกตัวอย่างเทียนมันสว่างเราสาวไปเราไปพิจารณาดูทําไมเทียนมันจึงสว่างอ่าเพราะเพราะเทียนมันมีเปลว ทำไมเทียนจึงมีเปลวเพราะเทียนมันมีไฟเทียนมันมีน้ำมันเทียนมันมีไส้ไฟมันกินไส้ไฟมันกินน้ำมันมันเกิดความร้อนมันก็กินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยในขณะเดียวกันมันก็ได้ความสว่างขึ้นมาเห็นหความสว่างเฉพาะหน้าเราแม้แต่ดวงไฟไฟฟ้านั่นก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละอันนี้คืออันนี้คือผลของมันย้อนจากผลไปหาเหตุ เหตุอะไรทำให้เกิดเหตุอะไรทำให้เกิดเหตุอะไรทำให้เกิดที่พระองค์ก็ขลองใจว่าอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดอะไรเป็นเหตุให้สัตว์เกิดย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปที่ท่านไล่พิจาณาย้อนกลับไปกลับมาเหมือนหลักตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละตามหลักปฏิจจสมุปบาทย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาหลักปฏิจจสมุปบาทโอ้มันเป็นมาจาก ความโง่ของเราเองนี่เองความโง่ของเราเองอวิชชาอวิชาความโง่ความมืดความทึบความไม่รู้วิชชาความโง่อวิชชาความไม่ง่อวิชชาอวิชชาความไม่รู้วิชชาแปลว่าความรู้อวิชชาแปลว่าความไม่สว่างวิชชาแปลว่าความสว่าง วิชาอาวิชาหมายถึงพวกกิเลสตัณหาวิชาหมายถึงดวงปัญญานี่ดวงปัญญาเกิดขึ้นจากความโง่ของเราเองความโง่ไม่ได้อยู่ที่ไหนสาเหตุต้นตอนที่แท้จริงอยู่ที่ดวงจิตของเรานี่เองจิตของเราทุกคนเป็นแก้วสารพัดนึกแต่เรายังไม่ได้ชำระยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เก่าแก้วนี้เลยไม่เพลวพราว เหมือนเหมือนเพชรนินจินดาที่เรายังไม่ได้เอามาเกียรนในให้เป็นเหลี่ยมเป็นสันเวลาไปสะท้อนแสงแล้วเกิดแสงแพรวพราวมันเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมชาติมันก็เศร้าเศ้ า, า, ามองมองมองัวมัวผูมม้มีความชํานาญเอามาเกี่รนในเป็นสันเป็นเหลี่ยมส่องใส่ไฟโอ้ ย, ส, ยสีเขียวสีเขียวสีแดงสีเหลือง ไฟที่มันเกิดขึ้นในในในเพชรนะไฟที่มันเกิดขึ้นในเพชรแสงของเพชรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราไปที่ชเวด า, นะากองน่ชเวดากองนี่มันจะมีเพชรอยู่บนยอดเจดีชเวดากองเนี่จกว่ากะลัดจะได้ว่าเพชรก้อนใหญ่มากกลางคืนเขาจะมีเขาจะมีสปอตไลท์ส่องไปหายอดเนี่ยเสร็จแล้วเขาบอกว่าไปยืนมุมนู้นจะเห็นจะเห็นเพชร ขยับขยับมาตรงนี้เห็นสีแดงขยับไปตรงนั้นเห็นสีเหลืองขยับไปตรงนั้นเห็นสีเขียวอยู่บนยอดนั่นนะเห็นจริงๆนะไปดูมาแล้วเห็นมาแล้วที่ชเวดากองนะอันนั้นคือแสงของเพชรอ่แสงของเพชรมันเกิดขึ้นจากการสะท้อนสะท้อนของไฟเกิดขึ้นจากการสะท้อนของไฟความพิจิตพิศารของจิตของเราเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีก แต่เราไม่เคยชักไม่เคยล้างไม่เคยขัดไม่เคยเกาพระพุทธเจ้าท่านรู้ด้วยรู้ได้เข้าใจได้ด้วยบุญญาบารมีบุญญาบารมีเต็มเปี่ยมพุทธเจ้าของเราสี่อสองไขยแสยนมหากรับรู้สิสร้างความปวดสร้างความทนสั่งสมอบรมมาสี่อสองไขยแสยนมหากรับเรานี่กลับหนึ่งกรับหนึ่งเรานี่คือจะเป็นจะตายแล้วแสนมหากรับนี่คือเศษนะ สี่อสงไขอีกตั้งหากอันนี้ประเภทปัญญาธิกะประเภทวิริยาธิกะอีกทัางหาเพิ่มเข้าไปอีก8อสงไข่ศรัทธาธิกะเพิ่มเข้าไปอีก16อสงไข่คิดดูสิเป็นผู้ตั้งออกตั้งใจมุ่งมั่นขนาดไหนสมัยพระพุทธเจ้าท่านลงมาจากดาวันดึงเนะ่ยสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากันหมด ปรารถนากันหมดนะทั้งหมดทั้งแมงอะไรเห็นโอ้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากันหมดเพราะเห็นความอัศจรรย์แต่มันก็เท่ากับขนโคกับเขาโคเท่านั้นแหละคิดดูแต่ขนโคมากเท่าไหร่กับเขาโคหลุดไปได้แค่เท่ากับเขาโคแค่นั้นแหละเรามาคิดดูเถอะโอ้สมัยมันยากเห็นเหลือเกินหลุดกันไปได้แค่เขาโคเขาโคมีแค่สองไปดูนับดูขนโคกี่แสนกี่ล้าน นี่เราดูเราดูเถอะความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าท่านย้อนไปอวิชชาเป็นปัจัยเกิดสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารนี่มีอันนี้จังทุกขังอนัตตามาเกี่ยวข้องแล้วอนนี้จังทุกขังอนัตตามาเกี่ยวข้องแล้วขึ้นชื่อว่าสังขารสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเป็นสังขารดวงไฟหนึ่งดวงที่เราเห็นเนี่ยนี่แหละคือกองสังขารกองหนึ่งเวลาเราจุดเวลาเขาทางานเวลาเขาทางานเราดู สิ่งกิริยาที่เขามีมีอะไรบ้างมีควันมีสีเหลืองมีสีแดงมีความร้อนซึ่งเราเรียกว่าเปเลวในขณะเดียวกันมันก็กินไส้มันก็กินน้ํามันกินไส้เข้าไปเรื่อยกินน้ํามันเข้าไปเรื่อยแล้วก็มีความร้อนอาศัยธาตุร้อนเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวกินทั้งหมดนี้แหละนี่แหละคือตัวสังขารถ้าเราจะดูง่ายๆก็เออ เอาธาตุไฟธาตุไฟไปกินน้ำมันกับกินไส้จากนั้นแล้วปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากไฟมันกินคืออะไรบ้างอะไรบ้างก็เหมือนอย่างที่เรามาไล่นี่แหละคือความร้อนคือเปเลวคือแสงแสงก็ให้ความสว่างอีกแต่ความร้อนที่แท้จริงเรามองไม่เห็นนะเรามองเห็นัหยความร้อนเรามองเห็นไหมเรามองไม่เห็นนะั่นที่เรามองเห็นเหลืองเหลืองนะ่ะไม่ใช่ไฟนะั่นไม่ใช่ ไม่ใช่ไฟเราอยากรู้ว่าเป็นไฟเราต้องเอามือไปแย่เราไปแย่ลองดูทีเราเอามือไปแย่ลองดูนั่นแหละไฟเมาโอนี่แหละไฟเออนี่แหละไฟนี่เราพูดถึงสังขารร่างกายของเราเนี่ยคือกองสังขารสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นกองสังขารพระพุทธเจ้า ร่างกายของพระองค์เกิดขึ้นเป็นกองสังขารสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นกองสังขารเมื่อมีกองสังขารขึ้นมาแล้วก็มีมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการคงที่ไม่มีหยุดยั้งอยู่กับที่ขยับไปหน้าเรื่อยขยับไปหน้าเรื่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยไม่เคยหยุดอยู่กับที่เหมือนกับเปลวเทียนที่มันกําลังติดอยู่เดี๋ยวนี้ไม่เคยหยุดอยู่กับที่มีกิริยามีปฏิกิริยาทุกระยะทุกขณะ ไปดูมันเดือดปั๊บปันะไปดูอ่ะมันไม่ไดอยู่หยุดอยู่ก็ที่พอมาถูกลมก็ลมก็ตีไปตีมากลับไปกลับมาอันเก่าก็ไหม้หมดไปอันใหม่ก็ดึงขึ้นมาไหม้หมดไปดึงขึ้นมาไหม้หมดไปดึงขึ้นมาอันไหนเป็นเปลวเก่าอันไหนเป็นเปลวใหม่เปลวเก่าก็เสื่อมไปหมดไปเปลวใหม่ก็ขึ้นมาแทนแต่เราดูไปแล้วก็มันก็เหมือนกับมันต่อเนื่องกันเพราะมันดูดเข้ามาเรื่อยมันไหม้ขึ้นไปเลย เป็นไปเรื่อยชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันมันขาดกระท่องกระแทนเหมือนกับการทํางานของเปลวไฟนั่นแหละฮะตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่ดูที่เราอยู่ในท้องแม่เป็นอะไรที่แรกเนี่ยเป็นน้าําใสๆมองแทบไม่เห็นนะเท่ากับน้ํามันงาเท่ากับเม็ดงานั่นใสๆเท่ากับน้ำมันเท่ากับน้ํน า, า, า, ม, ามันติดอยู่ที่ปลายขน จามจามรีรู้จักจามารีไหมจามารีลักษณะมันคล้ายๆวัวกระทิงเคยไปเห็นแล้วนี่ไปเมืองจีนเขาจะแล้วเนี่ยวัวจามจามจามารีเยอะมันชอบอยู่ในที่หนาวขนของมันยาวขนยาวอ้วนเหมือนวัวกระทิงเลยมีเขาสั้นๆคนแถวนั้นเขากินกินวัวกระทิงมันอยู่มันอยู่ท่ามกลางที่หนาวหากินอยู่อย่างนั้นแหละ ข น, นเท่ากับน้ำมันงาอเท่ากับเม็ดน้ำมันงาหยบที่ปลายที่ปลายขนขนเอกขนเอกกระถิขนจามจามรีที่ถูกสลัดถูกสลัดไปแล้วเจ็ดครั้งเล็กขนาดนั้นนะจากนั้นแล้วอันนี้หมายความว่าธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มาผสมกันนะมันมอมผสมกันแล้วมันเป็นกองสังขารแล้ว ถ้าเราจะแยกกองสังขารของพ่อก็กองหนึ่งกองสังขารของแม่ก็กองหนึ่งพอไปรวมบวกกันเข้ากลายเป็นกองสังขารขึ <unt> ้นมาอีกกองหนึ่งหลังจากเขาผสมกันแล้วเขาไม่เคยหยุดอยู่กับท <mor> ี่เลยหยับมาเรื่อยขยำเรื่ยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยอ่าโตมาเรื่อยอ้าวเป็นเลือดแดงๆโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยอ้าวเป็นก้อนแข็งๆเป็นปันจักาขามีหัวมีแขนมีลําตัวมีขา 5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9้าเดือน10เดือนก็ออกมา hey? ไม่เห็นอยู่กับที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ในขณะที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันต้องการสิ่งใหม่ไปเสริมนะมันต้องการสิ่งใหม่ไปเสริมอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราเห็นัหมทุกคนมีสายรกทุกคนมีสะดือที่ถูกตัดออกถูกตัดสายสายลำเลียงออกลำเลียงนุ่น่ะของใหม่ที่เอามาเพิ่มเอามาจากแม่ แม่ต้องเลี้ยงตลอดทุกระยะโดยธรรมชาติดูดื่มกินกันโดยธรรมชาติอยู่อย่างนั้นแหละนั่นแหละคือกำเนิดของคนเราดูไปดิพอออกขึ้นมาแล้วก็โอ้ยตัวเราของเราเรานี่แหละยิ่งใหญ่เรานี่แหละหเร า, เราไม่ได้เอาอะไรสักเม็ดเดียวหยดเดียวไปเกิดในท้องแม่ไม่ได้เอาอะไรและอะไรมันพาว่าเราเราเราเรานี่อะไรเป็นผู้ว่าอะไรเป็นคนว่าอะก็กินเลด ท, ที่มากับกรรมเนี่ยแหละ มากับใจผู้รู้นี่ที่มันไปจับจองอ่ะไปจับจองกองสังขารกองนั้นเพราะฉะนั้นเรามีรูปธรรมเรามีนามธรรมใจมันเป็นนามธรรมใจมันกําทั้งหลายทั้งปวงมันมามันอมแปรมากับใจกรรมอมแปรมากับใจพอไปจับไปจองขึ้นมาแล้วเอาตัวนี้แหละเป็นตัวมาสําคัญมั่นหมายว่าเราๆราเ ร, าเรา ข, อของเราเป็นเหตุ ถือทิฏฐิถือมานะทะเลเบาแวงค่าแกงกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะอะไรเพราะเป็นกลเป็นอุบายเป็นมายาด้วยความลุ่มหลงของเจ้าอาวิชชาตันหาอุปาทานเราดูพิจารณาดีแล้วโอ้สลดใจน่าสลดใจความลุ่มหลงของเราที่ถูกเจ้าอำนาจกิเลสทั้งหลายนี่มันครอบคลุมเราให้เรามืดหนาตาเถื่อนโง่เง่ า, งา เป็นาธาตุของมันรับใช้มันอยู่ไม่จบไม่สิ้นถึงขนาดนี้แล้วดูไปให้ดีเถอะกิเลสมันก็มากับกรรมกรรมก็มากับกิเลสก็มากับใจก็มาจับจองรูปธรรมมันนี้โตขึ้นมารู้เดียงสาภาวะเท่าไรก็ยิ่งยึดมัน่นถือมัน่นสำคัญมัน่นหมายทิฏฐิมานะแข็งกระด้างบางคนก็ ตามแต่จริตนิสัยที่จะสังสมมายัางไงบางคนก็อ่อนเนะบางคนก็แข็งกระด้างบางคนก็ราคะจริตบางคนก็โทสะจริตบางคนก็โมหจริตต่างๆนานาไปนี่คือความเกิดขึ้นความเป็นมนุษย์มันมาจากอย่างนี้เองพระพุทธ <c oughs> เจ้าท่านพิจารณาในในปัจฉิมยามสุดท้ายพระองค์ได้อสวร์ขยายาน กิเลสตัณหาที่เคยคล่องคาอยู่ในหัวใจของพระองค์เหือดแห้งหายไปหมดความคล่องคาสงสัยใดๆในหัวใจของพระงค์หายไปหมดทำให้พระองค์ออกปากโอ้พอแล้วพอแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วอ่าพอเสดิฐแล้วเลิศแล้วมาอ่ายุติได้แล้วไม่มีสิ่งใดที่ดีกว่านี้เลิศกว่านี้ประเสริฐกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ไม่ต้องการไม่ต้องแสวงหาใดๆอีกแล้วสำลรจสําเร็จแล้วจบแล้วสมสมหวังเต็มที่เต็มร้อยส า, าธุอุทธเจ้าเราดูเถอทุกอย่างลาบากขนาดไหนเพียงใดกว่าดวงปัญญาดวงนี้จะทะลุผุโปร่งมาเพื่อจะได้บอกได้สอนเวนั ย, นายศาสตร์ทั้งหลายเปิดหูเปิดตาให้ได้ก้าวไปตามันยากลาบากเข็นขนาดไหนเราดูเถอ โอ้เพราะฉะนั้นเรากราบเราลึกถึงพระกุฎีเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะเห็นความอัศจรรย์ในนั้นแหละอยู่ในนั้นดูมาที่นั้นแหละดูมาที่ใจเราเนี่ยดูมาที่นั้นดูมาที่นั่นดูมาที่ใจเรามันกึกก้องหแม้อย่างทุกวันเนี่ยพระองค์ป ร, ปรินิพานไปแล้วพระองค์ไม่ได้ไปไหนพระองค์ก็อยู่กับเรานี่แหละพระองค์อยู่กับเราเพราะถ้ารู้ที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้สูญไปจากโลก ธาตรู้ของพวกเราไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สูญไปจากโลกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกเพราะยังมีตัณหาอวิชชาอุปาทานอยู่ตายแล้วเกิดอีกตายแล้วก็อีกยังมีพบยังมีอุปาทานแล้วก็ยังมีพบมีชาติที่จะต้องไปเกิดอยู่แต่พระองค์ไม่มีอุปาทานหมดอุปาทานแล้วอุปาทานแปลว่ายึดเอาถือเอาสําคัญมั่นหมายเอาทําไมถึงยึดเอาถือเอาสําคัญมั่นหมายเอาเพราะมันหลงกิลเลมันปิดหูปิดตา ทำให้เรามองไม่เห็นสัตว์จะทำตัวที่แท้จริงก็หงงมอยู่อย่างนั้นแหละงอมหมกอยู่ในโลกอย่างนั้นแหละไม่รู้จักจบนี่เราเห็นไหมเราเห็นความความสามารถของพระองค์พระองค์พระองค์ปกรณิ พ, พรรนานไปแล้วพระองค์งก็ไม่ไปไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเราตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบ พุทโธพุทโธจิตรเริ่มสงบเราจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละคือพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยอ่าไม่ใช่ศรีระที่เราเห็นอันนี้เป็นเรือนร่างอ่าพระพุทธเจ้าที่แท้ก็คือดวงปัญญาที่เกิดขึ้นกับผู้รู้ชะล้างจนสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละคือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงพวกเรากราบระลึกถึงพระองค์เนี่ยอก็ก้องอยู่ในหัวใจของเราไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นตั้งใจกราบอย่กกราบเล่น อย่า ก, กราบเล่นกราบไม่ใช่ไม่ใช่เรากราบหินไม่ใช่เรากราบโลหะไม่ใช่เรากราบทองเร า, ากราบพุทธทังสระนังขจามิดูย้อนเอาผู้รู้ของเราย้อนมาดูผู้รู้ของเรานี่แหละเป็นเชื้อของพุทธะผู้รู้ดวงนี้นี่ของใครของเราอยู่นี่แหละนี่แหละคือเชื้อของพุทธะ เราพยายามมาขัดเกลาวดวงนี้ขัดเกลาวเข้ากระเก้าขัดเกล้าเกลาเข้าขัดเกลับเกล้าเข้าพุทธะก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเอพระวักกะลิเป็นคนชอบรูปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนรูปงามแต่เป e, like really in ็นผู้หญิงก็งามงามงามยิ่งกว่าจักรวาลนางงามจักรวาลเีงแล้วพระวักกะลิเนี่ยติดในพระรูปของพระพุทธเจ้าเดินไป ไปในกน็เดินดูเข้าไปบวชเนี่ยไปบวชพระติดรูปพุทธเจ้าพราะปกลิเป็นภะษาวกประเภทรูปปประมาณิกามีรูปเป็นประมาณพุทธเจ้าไปทางนั้นก็นยืนดูเดินดูดูเท่าไรก็หยิกเคยยกลือน้ำลายเอื้ออิ่มดูแลก็ก ล, ลือน้ํำลายเอื้อเนอะเมื่อก็เราชอบผู้หนุ่มผู้สาวแหลนะเนาะเรนบอก ดูลกลยกืนน้ำลายเอย่างยังไงบอสพระวักขลิเห็นความงามของพุทธเจา้าพอพุทธเจ้าทั้งก็ดูในขณะเดียวกันตาในทั้งก็ดูจิตของพระวักขลิด้วยพระวักขลิท่างก็ดูดูดูนิสัยสันดานดูจิตภายในจิตด้วยพอได้ช่วงจังหวะที่เหมาะพระองค์ก็พระองค์ก็เอาแหละตัวเพื่อนอะไรทีนี้ เธอจะมาตามดูอะไรร่างกายอันเน่าเปื่อยของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเธอจะเดินจับชายจีวรของเราก็าไม่เชื่อว่าเห็นเรา hey, เฮ้เฮ้ทั้งที่ทั้งทีบ่บวชมาพยายามจะตามดูพระพุทธเจ้าถึงกันทไมพระองค์ไม่พูดเป็นเยื่อใยอะไรกับเราเลยบ้างเลยไม่เห็นหัว อ, อกห้อยใจบ้างเลยอะไรเลยเสีย อ, อกเสียใจเสียอกเสียใจ เสีย อ, อกเสียใจพระพระวักลีน่ะถึงแม้ว่าเธอจะเดินตามจับชายโยนเราก็ไม่เชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมเชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราเชื่อว่าเห็นธรรมพระวักลีเลยเสียใจเสียใจจะไปกระโดดหน้าผาตายอ่ะจะไปกระโดดเหวตายกําลังที่จะกระโดดนั่นแหละคือจิตใจตอนนั้นเน่ยเป็นจิตใจที่เรียกร้องอยากเห็น มันเหมือนกับนอยากเต็มที่อยากเห็นพระพุทธเจ้าพระพาทธเจ้าไปโผล่ปรากฏให้เห็นรูปพระเนระมิตรูปให้เห็นเพื่อบิเตยินดีใจลอยขึ้นพระพุทธเจ้าเนรธรมิตให้ให้เจริญวิปัสสนาพอเจริญวิปัสสนาเสร็จได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์นี่พระวักกะลิเนี่ยพระวักกะลิเป็นผู้ติดในรูปนี่คือความงามของพระพุทธเจ้าเนี่ย เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงความงามของพระพุทธเจ้านะเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงเราพูดถึงความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้า e ใครเห็นพระพุทธเจ้าคนนั้นเห็นธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังกึกก้องอยู่ในหูในประโซตประสาทของเราในหูของเราตั้งอกตั้งใจกราบไหว้ตั้งใจภาวนา พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่แหละนี่แหละคือเชื้อที่จะทําให้เกิดพระพุทธเจ้าเกิดพุท ธ, ธะในใจของเราพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระองค์ไม่ได้ตั้งใครให้เป็นพระพุทธเจ้าแทนเพราะธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้มานั่นแหละถึงจะตั้งกับตั้งไม่ได้เพราะธรรมะที่แท้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นพระธรรมที่พระองค์สั่งสอนไว้ในมากมายมหาศาลเพียงพอสำหรับผู้ตั้งออกตั้งใจที่จะชําระขัดกล่าวจิตของตัวเองให้บริสุทธิ์ ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสกับพระนอนุว่านะยุคใดก็ตามสมัยใดก็ตามมีผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์แปดยุคนั้นสมัยนั้นการนั้นนะยังมีพระอระหันต์อยู่พระอระหันต์จะไม่สูญไปจากโลกนะ นี่ฟังไหมเราพูดมาเรื่อยๆเนี่ยฟังเข้าใจไหมฟังเข้าใจไหมเงานอนหรือยังตัวเอก <c oughs> เข้าใจเหรองานอนแล้วเหรองานอนทําไมเข้าใจอ่ะ <c oughs> โอ้เอาละดึกแล้วเนาะวันนี้เอาแค่นี้แหละ <c oughs> อือเอายามพยายามสื่อให้เข้าใจอย่างง่ายๆแหละ าวันนี้เอาจบกันแค่นี้ลเลยอา้าวต่อไปกราพุทธเจา้าล้วไปภาวนาเอาทั้งคืนเลยนะเอาไว้ได้เห็นพุทธเจา้าเนอะเอเอเอา้าวไปีไป่นั่งแต่โสกันนะบ่ได้เดีดบ่ได้บ่ได้บ่ได้ขาดทุนขาดทุน